สังคาทิเศษสิกขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะการบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเป็นปัจจัยณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีถุลละนันทา ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันทาบวชให้สตรีผู้เป็นโจรในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 2. เกิดทางกายวาจากับจิตละ